ถามนรรัส ก, การหลวงตาค่ะหนูเพิ่งเริ่มภาวนาค่ะหลวงตา <Okay. S 1> ก็เดินจงกรมบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ขี้เกียจแล้วก็เป็นคนมีโทสะ พอสมควรค่ะ <benefits> ข <that mala hea> ี้หงุดหงิดนะคะมุตตารู้หมดเลยเนี่ยเอาก็รู้ดิเอาไปรู้ก็รู้หมดเรพูดมาก็รู้หมดเราเป็นอะไรก็รู้หมดให้เป็นรู้ดิอย่าลงไปค่ะอหลงไปเป็นอารมณ์ร่วมขี้เกียจเราก็รู้ขยันก็รู้อย่าไปมีอย่าไปอย่าไปตามใจมันได้แต่รู้มันมันขี้เกียจก็รู้แต่อย่าตามใจมันอืมมันมีอะไรที่พูดมาอารมณ์ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้ทุกอย่างอ่ะเราก็ รู้อย่าไปตามใจมันอย่าไปอย่าหลงไปกับมันแล้วก็อย่าพยายามไปดับมันเพราะเราพูดมันเรากิดทุกอย่างอะไรกเมือกี้พูดมันทุกอย่างรู้หมดเลยมันมันเป็นยังไงมีอารมณ์ยังไงทุกอย่างมารู้หมดให้ให้ทุกณะปัจจุบันอ่ะอย่าทิ้งรู้อย่าทิ้งรู้อย่าทิ้งรู้คือเป็นยังไงก็ดแต่แค่รู้แค่รู้แค่รู้อย่าแค่รู้คืออย่าหลงไปกับเขาแล้วอย่าไปไล่ดับเขาอย่าไปพยายามทําลายเขา คือเวลาเราแค่รู้เนี่ยพอรู้เสร็จเรากลับไปอยู่ที่กายได้ใช่ไหมคะเหมือนอยู่กับรู้แค่อยู่กับรู้เลยแค่อยู่กับรู้เลยใช่ไหะคะอือยู่กับรู้อยู่กับแค่รู้เพาะเพราะเวลาทํางานพั้นตอนทํางานจะไหลไปอยู่กับงานนะคะแในใจงานในใจเราเป็นยังไงรู้ก็รู้มากายเรายืนทำไมจะไม่รู้ว่าเรากายเรายืนทําฟันอยู่อะกายเรายืนทําฟันหรือเรานั่งทําฟันอยู่เราก็จะรู้ว่ากายเรายืนทําฟันหรือเรานั่งทําฟันมันก็รู้เไม่เห็นจะไหลไปไหนเลยก็ได้แต่แค่รู้ว่ากายเราเนี่ย นั่งทำฟันแลือยืนทำฟันแล้วเราก็พูดกับคนไข้คพูดดีพูดพูดชั่วพูดพูดบาปพูดกุศลนักกุศลเรารู้ไหมรู้เนี่ยนะก็เห็นไหมถามบอกว่าได้ได้รู้ไงน่าทําคนไข้พูดกับคนไข้หวานหวานรู้ไหมรู้พูดกับคนไข้พูดกับคนไข้มีอารมณ์รู้ไหมรู้เห็นไหมก็อยู่กับรู้สิอย่าอย่าไปมีอารมณ์ร่วมจะหลงไปอ่าตอนนี้เวลาทํา ทำคนไคข้ยอยู่ทําฟันคนไคข้ยอย <ฮะ S 1> ดดู่คิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลกับ อ, อกุศลได้ไงรู้ไหมก็ส่วนใหญ่จะรู้ตามหลังว่าคิดไปเยอะแล้วแล้วก็จะรู้เว่าคิดไปแล้วแค่มารูไปปูกให้มันรู้ไปรู้ไปเนี่ยอย่าไปทิ้งรู้อย่าไปทิ้งรู้ให้มันรู้ตลอดเวลาเนี่ยการคิดการพูดการกระทําก็คือตัวเรานี่แนะตัวเราเนี่ยตัวเราที่คิดที่พูดที่กระทาก็คือตัวเราทั้งตัวเนี่ยแต่รู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเรา คือรู cat, ้เ but นี ad, it. It mm ่ยมันเป็นเราแท้แต่ที่ไม่ใช่เป็นตัวเราที่เป็นตัวเป็นตัวตายตัวตายก็คือตัวเรานี่เนี่ยที่คิดพูดกระทําเนี่ยเป็นตัวตายตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายแต่ไอ้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันเป็นธาตุรู้มันเป็นธาตุมันเป็นธาตุรู้มันมีแต่ความว่างตัวตนมันไม่มีหรอกมันมีแต่รู้มันมีแต่รู้แต่ตัวตนมันไม่มีอย่างนั้ว่าเราเนี่ยเราคิดดีคิดเพื่อคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนกุศลเราดั้งคิดอยู่ที่นี่ก็ได้คิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนัก คนในที่นี้ก็จะไม่รู้เลยใช่ไหมเอเราก็เป็นคนรู้คนเดียวไอ้เราไอ้ที่รู้เนี่ยเราเรารู้เรารู้จริงๆมันไม่ใช่เป็นมีตัวมีตนเราแต่เป็นเราแท้ๆเลยนั่นน่ะเป็นเราแท้ๆที่ไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้เราคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลเราก็ต้องรู้คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้อันนี้น่ะเรารู้เรารู้เราได้่ยน่ะแท้ๆจริงน่ะคือคือเราที่เป็นรู้ที่เราที่เป็นผู้รู้แต่ไม่ใช่ตัวเราที่ถูกรู้ไอ้ตัวเราเนี่ยที่คิดที่พูดที่กระทําไอ้ตัวนี้ตตัวายตัััวววแก่ตตตเจ็บาย ตัวคิดตัวตัวนึกตัวตึกตัวตองตัวมีความรู้สึกตัวคิดอารมณ์ต่างๆตัวตัวพูดตัวกระทำตัวนี้ตัวตายแต่ไอตัวที่เราเนี่ยตัวที่เราคิดเราพูดเราก็ทำเนี่ยไอตัวนี้ไม่ตายคือพูดที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ตายเพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างตัวที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าเรานั่งอยู่ หนูค่ะรู้ว่าเรานั่งถือไม้อยู่เนอะรู้แล้วนั่งถือไม่แล้วลองดูดิว่าไอที่ผู้ที่มารู้ว่าเราถือไม่อยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนหนูใจรู้สึกวมันอยู่แถวแถวท้องแต่มันเป็นเบาเบามันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนไอที่เบาเบาที่หน <blunt. S 1> ูบอกว่ามันอยู่แต่ท้องเบาเบาเบาเบาเนี่ยหนูเอามาบอกได้ว่าแถวท้องหนูเนี่ยมันเบาเบแต่ไอไอเบาเบาเนี่ยมันรู้หรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้ มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เออมันเป็นร่างกายเราที่ถูกรู้ค <Seo? S 2> ือมันเบาเบาหนแล้วไม่บอกได้ว่เาเนี่ยท้องหูู้ตอนนี้มันเบาเบาค่ะอันนียมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ค <har> ่ะแต่อารู้เนี่ยมันก็รู้ว่าตัวเราเนี่ยท้องเบาเบาค่ะแต่ไอ้ตัวเราที่ท้องเบาเบเนี่ยไอารู้เนี่ยอยู่ตรงไหนไไมันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอเออนี่เนี่ยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนนี่เนี่ยมันคือเราแท้ๆค่ะที่ไม่รู้ว่าเราคือใครไม่รู้อยู่ตรงไหนรู้แต่เพียงว่าตัวเราไม่มีตัวตน อืมันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายเพราะตัวตนมันไม่มีแต่ไอตัวเราที่มีตัวตนเนี่ยที่ว่าท้องเบาๆออืท้องหนักๆกายเบาๆกายหนักๆไอตัวเนี้ยตัวแตกตัวดับตัวตายค่ะไอตัวที่นั่งอยู่แล้วก็เมื่อยนั่งอยู่แล้วก็ไม่เมื่อยหายเมื่อยไอตัวนี้ตัวตายแต่ไอตัวที่รู้ว่าเราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไอตัวนี้ไม่ตายเพราะว่าปัญหาตัวมันไม่เจอค่ะแต่มันมีอยู่แต่หามันไม่เจอ เราแท้จริงเนี่ยคือสิ่งที่มีอยู่แต่หาตัวไม่เจอเราก็มาเป็นตัวนั้นน่ะมาเป็นรู้นั้นน่ะเป็นรู้ที่หาตัวเราไม่เจอเวลาเราตายแล้วเนี่ยพวกยมาทูดก็มาหาตัวเราไม่เจอพวกเจ้าการในเวนก็มาหาตัวเราไม่เจอเพราะว่าเราไปเป็นรู้ที่มันไม่มีตัวแตแล้วแต่ถ้ามันเป็นตัวเราที่มันเป็นตัวคิดตัวพูดตัวกระทําไอ้ตัวนี้มีเป็นตัว มันจะเป็นตัวเพราะเรายึดผิดตัวเรามปยึดเอาไอ้ตัวที่คิดที่พูดที่กระทำเป็นตัวเราเราเลยรู้สึกว่ามีเรามีตัวเราก็เลยเอาตัวเราเนี่ยไปยึดออย่างอื่นได้อีกเราเลยพอตายแล้วเราก็เลยทุกชีพในปัจจุบันเราก็ยึดทุกอย่างให้เป็นทุกค่ะแต่ถ้าเราาเป็นรู้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเราที่ถูกหรือทุกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวตายตัวเราผ่องใสตัวเราเศ้าหมองไอ้ตัวเนี้ตัวตายแต่ตัวที่รู้ว่าเนี่ยผู้ที่รู้ว่าเราเนี่ยผ่องใส เราสมองที่พุทิมรู้ว่าเราเร้ามองไอ้นั้นไม่เกิดไม่ตายอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะคือเราแท้แท้ไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เคยแตกดับทําลายท่านว่ามันเปลี่ยนถ่ายร่างไปเรื่อยเปลี่ยนถ่ายร่างไปอยู่ในร่างใหม่เรื่อยไปแต่ความไม่รู้เราเนี่ยเรายึดเอาไอ้ตัวร่างใหม่เนี่ยเป็นตัวเราแต่อาตัวที่เปลี่ยนถ่ายร่างไปเราลืมไปเลยว่าเน่คือเราแท้แท้ที่มันมันจะรู้ตัวเราตลอดเวลาเราไม่เคยพลาดเลยไม่ว่าจะคิดจะพูดจะกระทําอะไรในที่รับที่แจ้งไอ้รู้เนี่ยมันจะรู้ตัวเราตลอดค่ะ อข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยก็พอได้นิดหน่อยค่ะตาที่หนูเดินจงกลมอยู่ถูกไหมคะลุงตาที่เวลาหนูเดินอืมแต่ถ้าถ้าเราจะนั่งหรือจะเดินก็ตามถ้าไม่เข้าใจตรงที่ลุตาพูดมันก็จะไปเอาที่ตัวเราหมดเลยเคจะเอาตัวเราพยายามจะทําอะไรที่ตัวเรา เราพยายามจะปรุงแต่งให้ตัวเรานิ่งตัวเราเฉยตัวเราว่าตัวเราสงบตัวเราเป็นอย่างงุ่นตัวนี้แต่ให้ตัวเราที่มันมันมันปรุงเราพยายามจะปรุงแต่งให้ตัวเราเนี่ยมันเป็นอะไรไอ้กายเนื้อเนี่ยไอ้กายจิตกายเนื้อกายจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยเราพยายามจะปรุงแต่งให้มันเป็นอย่างวุ่นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่เนี่ยตัวเราไปอยู่กับตัวตายหมดแล้วเราไม่ได้อยู่กับรู้ที่ไม่ตายไม่แตกไม่ดับไม่ตายอเราไปอยู่กับไอ้ตัวตายหมดเราก็พยายามจะปรุงแต่งไอ้ไอ้ตัวตายเนี่ยให้มันสบายใจค่ะ แต่อัที่รู้เนี่ยมันไม่ได้มีความสบายใจไม่สบายใจแต่มันรู้ว่าไอ้ตัวตายเนี่ยไอ้ตัวกายเนื้อกายจิตเนี่ยที่เป็นตัวปรุงแต่งเนี่ยไอ้ตัวนี้สบายใจไม่สบายใจแต่อัรู้เนี่ยมันไม่ได้สบายใจไม่สบายใจหรอกมันได้แต่รู้เราต้องเป็นรู้แต่อย่าไปเป็นตัวสบายใจตัวไม่สบายใจถ้าเราจะเอาแต่ความสบายใจเราจะไปเป็นไอ้ตัวไอ้ตัวตายเพราะไอ้ตัวสบายใจมันตายแต่อัที่รู้ว่าเราสบายใจไม่ตายเวลาเราไม่สบายใจ ไอ้ตัวไม่สบายใจอะไปตัวตายตัวแตกดับตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายแต่ไอ้ตัวที่รู้ว่าเราเนี่ยไม่สบายใจไอ้นี่ไม่ตายไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ตายไม่มีตัวตนให้เป็นนรู้เข้าใจแต่บางครั้งเหมือนมันไม่ค่อยชัดไม่ไม่แน่ใจว่ามันรู้เนี่ยมันชัดไม่ชัดอะมันเรานั่งถือมาอยู่เนี่ยมันก็ได้แต่รู้มันมันม่ชัดไหม มันไม่ต้องชัดไม่ชัดหรอกมันก็ได้แต่รู้เนี่ยเราปวดท้องอยู่มันก็ได้แต่รู้เราปวดท้องมันต้องชัดไหมมันต้องแหม่มันรู้ชัดๆอะไรไม่ดีชัดหรอกรู้มันก็ได้แต่รู้เราเมื่อกี้ยับอกเลยว่ามันรู้สึกเบาๆที่ท้องไม่เห็นไม่ต้องชัดไม่ชัดเลยมันก็มันก็รู้ว่าเราท้องเบาๆเนี่ยเพราะรู้มันชัดไม่ได้มันได้แต่รู้ กับนรรสการหลวงตาค่ะของหนูนี่ยังเป็นไม้หลักปักขี้เลนอยู่เลยค่ะยังยกเยกไปยกเยกมาแต่มีครั้งหนึ่งคือนั่งฟังเพลงอ่ะค่ะมันเท้ามันกระดิกมันก็เลยรู้สึกมันมันเห็นอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่ารู้สึกว่าไอ้ที่มันเห็นเท้ากระดิกเนี่ยมันเหมือนกับมันรู้แล้วมันทํางานของมันอะค่ะแต่ว่ามันเห็นว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่รู้เนี่ยมันคืออีกอีกอีกตัวหนึ่งอะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเหมเหมือนมันแยกจากกันนะคะหลวงตา แต่พอพอเราไปรู้ตรงนั้นปุ๊บมันก็หยุดเข้ามาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่เดียวกันนะคะมันก็มีอยู่แล้วก็ฝึกมันสะเก็มันรู้ก็คือมาลุกตัวเรานี่ยนะรู้ตัวเราทนี้พอเราฝึกไปฝึกไปเราก็เอาตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเรามันก็เลยหายมันก็เลยไม่รู้ตัวเราไม่เป็นตัวเราที่ถูกรู้ซะแล้ว แต่บางครั้งหนูเหมือนว่ามันมันเป็นสัญญาสัญญาที่เราเราเรียนเรียนจําเรียนรู้มาล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอือ <te le> ตอนรู้มันไม่มีหรอกมันไม่มีสัญญามันไม่มีสัญญาไม่มีสังขารหรอกแต่ถ้าเป็นรู้ที่เป็นสัญญาสัญญาขงขารความเข้าใจไอ้นัน่นเป็นเข้าใจมันเป็นไอ้ตัวตายตัวเราเข้าใจไอ้ตัวนั้นนะ่ะตัวตายแต่ไอัที่รู้ว่าเราเข้าใจไอ้ตัวนั้นนะ่ะไม่ตายไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลาย เราฟังไม่รู้เรื่องเลยงงมากเลยไอตัวงงอ่ะไม่เป็นไรไอตัวนั้นเป็นตัวตายแต่ไอตัวที่รู้ว่าเราฟังแล้วงงมากเลยไอตัวนั้นไม่เกิดไม่ดับไม่ตายอันนั้นเป็นเราแท้ๆดังนั้นไอ้งงหรือไม่งงเข้าใจหรือไม่เข้าใจอ่ะขอให้รู้อย่างเดียวไอตัวเราไม่เข้าใจก็รู้เข้าใจก็รู้งงก็รู้ไอที่งงไอตัวงงไอตัวเข้าใจไอตัวไม่เข้าใจไอตัวนั้นตัวตายตัวแตกตัวดับตัวตายตัวแก่ตัวเจ็บตัวตาย แต่อตัวที่รู้อะเนี่ยเราเป็นยังไงไอตัวนั้นอะไม่มีตัวไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายไม่มีใครฆ่ามันได้เลยนะอาวุธใดในโลกก็ทําลายมันไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวนิพพานก็ฆ่ามันไม่ตายเพราะว่านิพพานฆ่าได้แต่กิเลสและความทุกข์แต่ฆ่ารู้ไม่ได้นะเอฆ่าที่รู้ไม่ได้บางครั้งมันเหมือนกับว่า มันรู้จากตรงเนี้ครับหลวงตามันรู้จากสมองก็เลยหนูไม่ค่อยว่าเออถ้ารู้ถ้ามันรู้จากสมองอมันจะเป็นความรู้ที่คิดปรุงปรุงคิดแต่ถ้าเป็นรู้รู้รู้จากใจเนี่ยรู้จักรู้เนี่ยรู้ที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันมันคิดปรุงไม่ได้มันเราจะพยายามทำให้มันไม่ปรุงก็ไม่ได้คือมันเนี่ยอยู่เหนือความบังคับบัญชาของเราเราจึงจะพยายามจะไปปรุงให้มันอ่ะไม่ปรุงก็ไม่ได้จะให้มันรู้เฉยๆก็ไม่ได้เพราะว่า มันเป็นใครย ja ังไม่รู้เลยเนี่ยที่มารู้เราเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลย แ, แล้วเราจะไปบังคับบัญชามันได้ไงให้มันรู้เฉยเฉยเพราะว่าไอ้ที่มันมารู้นเราเนี่ยมันเป็นใครยังไม่รู้เลยแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มันรู้เราหมดเลยเราแอบคิดแอบพูดแอบกระทําอะไรในที่รับที่แจ้งเนี่ยไม่เคยหลอดพ้นจากไอ้ที่มารู้ตัวเราเลยเออเพราะอะไรเราไปบังคับันได้ไหมว่าให้มันมารู้ตัวเราเฉยเฉยให้มันมาลุ้ตัวเราปรุงแต่ง เราไปบังคับมันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็เ พ, เพราะอะไรเราจะไม่รู้เลยตัวมันอยู่ที่ไหนตัวมันคือใครเป็นยังไงเรายังไม่รู้หมดเลยแล้วเราจะไปบังคับมันได้ไงแต่มันเนี่ยไม่เคยที่จะไม่รู้เราเลยมันรู้เราตลอดเวลาเลยไม่ว่าเราจะคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาคิดกุศลอกุศลอะไรไม่เคยหลุดพ้นจากรู้ได้เลยค่ <c oughs> อืมกราบนมัสการค่ะหลวงตามันผุกิ่งไม่โอ้ยยังไง หัวยังว่างๆอยู่เลยค่ะหลวงตายังไม่ได้เริ่มปฏิบัติตก็ตั้งใจฟังเนาะเอาซีดีหนงสือไปฟังแล้วเออใครใครยังไม่ได้เออฟังเข้าไปฟังนั่นก็ได้ไอ้นี่มันมีแผ่นแท็กคือฟังในในเว็บไซต์ก็ได้มันจะเป็นเขาจะไอออัปเดต ท, ทัสนสมัยหน่อยในซีดีมันจะมันจะไล่ไม่ทันปัจจุบันแต่ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ใบแท็กอะ่ะใบแท็กใบแทกตีกเขียวเนี่ยที่แท็กหนงสือไป เนี่ยเนี่ไปไไปไปไปแท็กทวิเกียวอันนี้มันมีจะมีเว็บไซต์หรือมีเพจอยู่มีเฟซบ o ๊กอยู่อันนั้นนะมันจะอัปเดต ต, ตลอดเวลามจะเป็นปัจจุบันให้ไปตามฟังอนะติดตามเอ่อให้เป็นอะไรล่ะให้ไปติดตามเป็นแฟนพันธะเป็นแฟนพันธะแท้วเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจเลยถ้าเป็นแฟนพันธะแท้จริงแล้วเดี๋ยวเข้าใจขอยืมคําเข้ามาหน่อยเอใเอให้แฟนพันธะนะให้ตังใจทำความเข้าใจแต่อย่าเปิดเป็นเพื่อนนะถ้าเปิดเป็นเพื่อนอเฉย อย่างนี้ไม่เข้าใจต้องทำความเข้าใจจริงๆเป็นแฟนพัน์นแท้พร้อมที่จะมาตอบคำถามได้ขออนุญาตส่งกอนละกันค่ะเผื่อเดี๋ยวจะเอาลูกกลับบ้านค่ะก็ช่วง2องเดือนใช่ไหคะก็พยายามไปทำในรูปแบบมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอค่ะก็สติระหว่างวันก็เกิดบ่อยขึ้นแต่บ่อยขึ้นนี่ก็คือแค่แบบหลักสิบอะค่ะก็เมื่อกี้กำลังจะบอกจะส่งต่แรกว่าจะส่งว่าจะรู้ไม่ชัด เหมือนพี่เขาแต่ว่าหลงตาปอกแล้วก็ก็คือพอรู้สึกว่าเวลารู้อะค่ะมันก็จะมีเหมือนเหมือนอะไรที่แบบโมมัวครอบครอบคร อ, อบอยู่อีกทีนึงค่ะอืมก็ก็เราก็พูดได้แล้วบอกว่ามันมันเหมือนอะไรมีโมมัวก็มันก็รู้แล้วเนี่ยก็เป็นรู้ซะอย่าไปเป็นในตัวเราที่โมมัวแล้วอย่าพยายามไปทําให้โมมัวปัญหายไป หลวงตาเคยบอกแต่ก่อนนะแล้วว่าสิพอยเหมือนพระอาทิตย์จมน้ํามันมันไม่มันไม่แจ้งออกมาค่ะไอโมมัวนี่ก็ก็ก็เหมือนมีอยู่ตลอดมันไม่ไม่ไม่ไม่แจ้งออกมาก็เราไม่ไปเป็นรู้อะมาเป็นรู้ตัวเราแต่เราไปเป็นตัวเราที่ถูกรู้มันกลับได้เป็นตัวมัวเออเราไปเป็นไอตัวมัวที่ถูกรู้เพราะว่าอะไรล่ะเรารู้ยังไงว่าตัวเรามัว แสดงว่ามันมีรู้มารู้ตัวเราว่ะตัวเรารู้สึกโมมัวเหมือนมีอะไรมาหุ้มอยู่ไอตัวเราที่รู้สึกมัวเหมือนมีอะไรมาหุ้มอยู่แสดงว่ามันตัวถูกรู้แล้วก็มันเป็นผู้มารู้ตัวเราอืไอผู้ที่มารู้ตัวเราแน่แน่เราไม่ไปเป็นตัวผู้มารู้ตัวเราแต่เราไปเป็นตัวเราที่มมัวที่มันถูกรู้เราเราสลับกลับด้านผิดตัวเราลองถามตัวเองเหมือนกับไปถามว่าไอถ่ายมารู้เราตลอดเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะคิดดีคิดชั่ว รู้สึกสบายไม่สบายรู้สึกโมั ว, มวรู้เราตลอดเลยใครเนอะมันรู้เราตลอดเวลาเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรก็ยังได้พี่รับที่แจ้งรู้เราตลอดเลยก็ถ้าถามเองเป็นใครอะมารู้ค่าตลอดเลยเนี่ยเองเป็นใครถ้าไปถามเองเป็นใครอะมารู้ค่าตลอดเลยเป็ใครถ้าตอบมันตอบได้จะตอบว่าไ ง, งมันจะตอบว่าค่าก็คือเจ้านี่ ค่าก็คือเจ้าเจ้าไม่รู้จักตัวเจ้าเองแล้วก็พยายามจะทําคือพยายามจะทําสมถะเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีแรงให้จิตมันตั้งมั่นให้สติเกิดบ่อยช่วงกลางวันนะค่ะแต่ว่าคือพอรู้สึกว่าเหมือนกับวิธีทําสมถาถะที่ทําให้จิตตั้งมั่นเนี่ยวิธีเดิมที่เราเคยใช้เนี่ยมันเหมือนใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปได้เรื่อยอืหรือว่าเข้าใจ เข้าใจถ้ารู้มันก็ไม่ต้องไปเรียกว่าอะไรหรอกให้เป็นรู้แต่ว<ฮ>่าใส่ปรัชนาบรวมอยู่ในรู้นั่นเน <c oughs> องถ้ามันไม่ส ง, งบมันไม่นิ่งมันไม่ตั้งมัน่นก็ก็ก็ปล่อยมันก็ช่งมันก็รู้เวลาเวลาไม่สงบรู้ไหมค่ะรู้เวลาไม่ตั้งมั่นรู้ไหมค่ะรู้เวลาพุ่งจะรู้ไหมค่ะรู้อย่าไปเอาตั้งมั่นไปตั้งมั่น ค่ะคือบางทีมันก็ติดว่าอยากได้อย่างได้ตัวรู้ตั้งมันอย่างนี้ไม่เป็นรู้สลนวมันอย่างนี้มันไม่ซื่อไม่ซื่ออย่างนี้ไม่ซื่อเพราะรู้เนี่ยมันต้องซื่อมันต้องเป็นซื้อซื่อตรงไปตรงมาเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ตัวเราอย่างซื่อซื่อตรงไปตรงมาอย่างนี้มันอย่างนี้ไม่ซื่อค่ะก็ทำอย่างนี้ไปไม่ไม่เป็นไร่ะคะ่ของพอยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ก็อย่าทิ้งรู้สิอย่าทิ้งรู้อย่าไปทิ้งรู้อย่าเอาทิ้งรู้เลยไปเป็นตัวเราที่ถูกรู้ทิ้งรู้เลยไปเป็นตัวเราที่ถูกรู้มันทุกข์ตายอยู่อย่างนี้มันเวียนอยู่ในทุกข์ไอ้ตัวที่ถูกกับมันเป็นตัวถูกรู้พอมันสุกไอ้ตัวสุกก็เป็นตัวที่ถูกรู้คไอ้ตัวรู้มีอาการไม่ได้ให้โยนิโสมณติกาไว้ในใจ ไอตัวรู้เนี่ยมีอาการไม่ได้ทำมีอาการจะเป็นตัวเราที่ถูกรู้อยูั้นไอตัวเราที่ถูกรู้ที่มันมีอาการอ่ะที่มีความรู้สึกเมืคิดอารมณ์วางมันไปให้หมดปล่อยวางให้หมดตลอดเวลาค่ะให้เป็นรู้ไอรู้เนี่ยมีอาการไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ก็เพื่อไม่ได้ไหวตัวไม่ได้ไม่สุกไม่ทุกขเพราะอะไรถ้ามันสุขทุกข์กเป็นตัวเราที่ถูกรู้ไอตัวคิดก็เป็นตัวเราที่ถูกรู้ะลาคิดไอตัวไม่คิดมันก็เป็นตัวเราที่ถูกรู้ว่าตอนนี้ไม่คิดเดี๋ยวก็คิดาไแกไม่คิด สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบไอ้ตัวสงบหรือไม่สงบก็เป็นตัวเราที่ถูกรู้แต่อรู้เนี่ยมันไม่มีไม่สามารถคิดได้ปรุงแต่งได้เพราะว่ามันคือพูดี่มารู้ตัวเราแล้วตัวตนนั้นไม่มียังไม่รู้ว่าตัวมันอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าตัวมันน่อยู่ที่ไหนเพราะว่าตัวตนมันไม่มีมันก็ได้แต่มารู้ตัวเรานี่แน่แต่เนี้ยถ้าเราเนี่ยเข้าใจแบบนี้เราก็โยนนิสโสมนสิกาณไว้ในใจโดยแยบคายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ว่าเราเนี่ยแท้จริงก็คือผู้ที่มารู้ตัวเราแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ไม่มีตัวตนไม่อาจจะปรุงแต่งได้จะไปปรุงแต่งไปคิดไปลึกไปตึกไปตองไปไข้ควรไปประมวลเหตุผลไปหาถูกหาผิดหาเหตุหาผลหาความเข้าใจทําไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันได้แต่รู้ที่มันตัวตนมันไม่มีมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยได้แต่รู้อะไรก็รู้ว่าไอ้ร่างกายเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมันแต่จะคิดแตนึกแะ่ตึกแะตองพูดมีการพูดหรือมีการการะทําอะไรรู้กายวาจาใจเราเนี่ยแหละ ใจรู้เนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้ตอนเนี้ยถ้าเราเนี่ยโยนิสโตรวนาติการไว้ว่ารู้เนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้ไว้ตัวไม่ได้คิดถึงอะไรก็ไม่ได้จะพยายามแสกแซงอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดมันได้แต่รู้แต่ไอตัวที่แสดงการแสกแซงได้พอใจไม่พอใจได้อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างงั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นองมันเป็นตัวเราที่ถูกรู้แล้วแต่เเผลอเนี่ยถ้าเราไม่โยนิสโตรวนติการไม่ได้ใจได้แยบคายอยู่ๆเราก็มันไม่ทำไปนั่งปรุงแต่งนั่งคิดนั่่งงงปุแแตล้วอะ ไหนว่าตัวเราเป็นรู้ที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นอสังขตว์ธาตุที่ไม่อาจมีใครปรุงแต่งมันได้แล้วมันก็ปรุงแต่งไม่ได้ตัวมันเองก็ปรุงแต่งไม่ได้ใครจะมาปรุงแต่งมันก็ไม่ได้ออยู่ๆเพ้อๆไปนั่งคิดนั่งปรุงแต่งนั่งดิ้นหล่นกลัวหาอยากมันเป็นอย่างนี้อันนี้อยากเป็นอย่างนั้นเอี่ยเอ๊ะมันทำปรุงแต่งได้วะเอ๊ะทําไมมันโง่แบบนี้ว่าเด็กเราว่าตัวเองอ่ะมันทําไมโง่แบบเนี้ยโง่มากี่ชาติแล้วแบบเนี้ยอวิชชาเนี่ยโง่มันโง่แบบเนี้ยมันผิดตัวเเรรื่่ออยยป็นูู้ดี มันได้ไปรู้เสีแล้วไปเป็นตัวปรุงแต่งแล้วคิดติดตองไปเรื่อยเจื่อยเอ้าก็เรามันปุงแต่งไม่ได้ได้แต่รู้ตัวเราไอตัวที่มันนั่งคิดได้นี่มันไม่ใช่ตัวเราไม่เผลอเอเอาตัวเราไปนั่งคิดมันเป็นตัวเราแต่จริงมันเป็นรู้แต่ ke, ตอยู่ๆเอาตัวเราไปนั่งคิดเอ้าก็ไดามันเอ้กาเราเป็นรู้นี่มันปรุงแต่งไม่ได้คิดไม่ได้แล้วอยู่ๆก็เอาตัวเราไปนั่งคิดอีกและเอ้ยทำไมอย่างนี้ว่าเอาตัวเรานั่งคิดนั่งนั่งมีอารมณ์นั่งแสกแสงนั่งเอ้ยมันทําไมหลงแบบเนี้ยว่ามันบ่่อยไมกีร มันก็หายโง่เหมือนเด็กลูกหมาลูกแมวอ่ะเราเลี้ยงมันไว้ตั้งแต่เด็กๆอะให้มันให้มันไปไว้ในบ้านเราเลี้ยงในบ้านแล้วก็ทําประตูลับอะไอประตูพับานทับอามาให้มันไปขี่เยี่ยวนอกบ้านเดี๋ยวแหละมันก็เลี้ยงใหม่ๆมันก็มาขี่เยี่ยวในบ้านขี่เยี่ยวมันนอนเม็นไมหมดเลยก็เนี่ยต้องจับไล่ได้ทันขณะดที่ปัจจุบันอะที่มันโง่หลงไปเป็นในไอตัวเนี้ยตัวหลงเนี่ยแล้วก็ที่มันไปปรุงแต่งได้อะไรได้เนี้ยไปคิดไปปรุงแต่งได้ไม่ได้เป็นรู้ทันทีเนี้ยจับว่ามันแล้วก็สอนมัน แล้วก็เอามันค่อยมุดประตูเล็กออกไปแล้วก็เอาก้นมันเนี่ยไปจิมจิมข้างนอกที่พื้นดินนะหน้าบ้านแล้วบอกว่าที่ขี่ที่เยวอยู่นี้่จําไว้จําไว้จําไว้อย่างเงี้ยเออบอกมันบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ฉลาดลูกหมาลูกแม่มันก็มันก็ไม่กล้าขี่เหยื่ในบ้านเดี๋ยวมันก็ออกไปขี่เยื่มุดประตูเล็กออกไปขี่เยื่อนอกบ้านเสร็จแล้วมันก็เข้ามาในบ้านเออจิตเราเนี่ยมันฉลาดกว่าหมาแมวพี่แล้ก็สอนมันสิเอสอนมันว่าไปโยนิโสมนาติการแล้วก็บอกสอนมัน มันเป็นรู้ที่ปรุงแต่งไม่ได้คิดไม่ได้ตัวตนไม่มีแสดงกริยาการใดๆไม่ได้ก็ไม่อาจมีใครมาทําให้มันปรุงแต่งได้ตัวเราก็ไปปรุงแต่งให้มันปรุงแต่งไม่ได้หรือพยายามทาให้มันไม่ปรุงแต่งก็ไม่ได้จะทําให้มันปรุงแต่งก็ไม่ได้จะทําให้มันไม่ปรุงแต่งก็ไม่ได้เพราะว่ามันได้แต่รู้ตัวเราแต่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้และไม่รู้ว่าแท้จริงไม่รู้วมันเป็นใครด้วยแต่จริงอ่ะตอนไปถามมันว่าเองเป็นใครวะค่ะแอบคิดแอบพูดแอบทําอะไรในทีรับที่แจ้งรู้คาตลอดเลย แต่ถ้าไปถามว่าเองเป็นใครว่ามันรู้ค่าตลอดเลยแต่มันตอบได้มันจะบอกว่าเอ้ยก็กูคือมึงรู้จักว่ามึงไม่รู้จักตัวมึงอ่ะเห็นไหมมันก็จะว่าเราได้เออเพะั้นเราแท้จริงเนี่ยมันมันปรุงแต่งไม่ได้มันได้แต่รู้ตัวเราเราหาตัวมันยังไม่เจอเลยเราจะไปพยายามให้มันปรุงแต่งพยายามให้มันรู้เฉยเฉยมันทําไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวมันยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยเราจะไปปรุงให้มันรู้เฉยเฉยรู้ไม่ปรุงแต่งไอ้รู้เฉยรู้ไม่ปรุงแต่งรู้วแต่เป็นตัวเราที่ถูกรู้ ไอ้ตัวที่ทําไปทํารู้เฉยเฉยรู้ไม่ปรุงแต่งอะไรรู้แต่เป็นตัวเราที่ถูกรู้อร <omas. S 1> ู้ว่าเราเฉยแต่รูแ้แต่แท้เนี่ยมันได้แต่รู้อย่างเดียวเนี่ยแต่มันเนี่ยไม่มีอาการใดๆหรอกเอาตัว er. ก็ไม่เจอรู้อะไรก็ได้แต่รู้ตัวเราไม่ใช่กลับด้านเอาตัวเราออกไปรู้เอาตัวเราที่ปรุงแต่งเนี่ยไปรู้ ไ, รไปกลับด้านเอาตัวเราที่ปรุงแต่งไปรู้คือมันเป็นผู้รู้ตัวเราแต่ผู้ปฏิบัติเกือบร้อยเปอร์เซ็นตเอาตัวเราที่ปรุงแต่งเนี่ยที่ถูกรู้เนี่ยไปรู้ พอไปรู้เสร็จก็แสกแซงได้รู้ อ, อย่างนี้มันไม่พอใจอย่างนี้รู้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างงั้นจิตเป็นอย่างงั้อยากให้เป็นอย่างนี้ไ อ, อ้มันไอ้รู้เราเนี่ยมันปรุงแต่งได้สารพัดเลยเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ทัาทันสถิติอ้าวเฮ้ยทำไมรู้เรามันจะปรุงแต่งได้สารพัดวะเนี่ยมันเราแท้แท้มันคือปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นวิสังขารหรืออักสังขาตถาทัตคือเป็นท่าที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แล้วอยู่ๆรู้เรานี่มันสารพัดจะเลือกเลย ไอ้ยี่ชอบไอ้ยี่ไม่ชอบไอ้ยี่ไม่เอาจะทําให้มันเฉยเฉยทำให้มันไม่ปรุงแต่งทําให้มันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นตัวไหนอ่ะมันเป็นตัวปรุงแต่งเด็กอะเราสมัยมันโงแบบนีอยู่วะอยู่ๆก็ไปเป็นตัวปรุงแต่งอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเพราว่ามันเลยบ่อยๆเด้อมันก็เริ่มเป็นตัวปรุงแต่งก็ได้แต่เป็นรู้ที่ปรุงแต่งไม่ได้ไอ้ตัวปรุงแต่งอยากปรุงแต่งกับปรุงแต่งไปแต่ก็เป็นรู้ที่ไม่ไม่อาจปรุงแต่งได้เรื่อยไปอ่ะแต่มันมันหาตัวไม่เจอเราไม่ใช่ว่าเราตั้งรู้ทำให้มันเป็นปรุงแต่งไว้นะ ถ้ามาตั้งรูร้รอยตัวออกมานอกตัวเราทําให้เป็นไม่ปรุงแต่งไว้อันนั้นเนี่ยมันเท่ากับปรุงแต่งเข้าใจไหมล่ะเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ารู้ไปฟังหน่อยจริงก็เป๋า <c oughs> เดี๋ยวจะรู้กลับบ้านล <c oughs> ค้คือเออคือเวลาภาวนาไปเนี่ยแล้มันจะมีสุดที่เหมือนกับเหมือนกับคิดปรุงซ้อนขึ้นมาว่าเออมันยังไม่ดีหรือว่าอยากให้มันตั้งมั่นกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็หลงไปตามอันนั้นคือรู้ไม่ทันว่าอันเนี้ยมันเป็นตัว เป็นตัวคิดเป็นตัวปรุงขึ้นมาค่ะอแน่ให้เราเป็นตัวรู้ซะอตัวเราเป็นรู้ตัวรู้เลยฝ่ายที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นวิสังขารเป็นวิาาสังขารหรืออัศรังคัสธาที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ค่ะคือต่อไปคือถ้ามีอันนี้รู้ขึ้นมาไอ้มีอันนี้ยปรุงขึ้นมา ก, ก็คือก็คือต้องรู้ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นตัวปรุงแล้วก็คือกลับมาอยู่ตรงตรงที่เดิมที่รู้ก็ด่ามันว่าไอ้โง่ตัโง่อีกแล้วไปเอาไปอาไปวกเราปรุงไม่ได้ทำไมไปนั่งปรุงอยู่ไปนอนปรุงอยู่ไปนั่งปรุงไปยืนปรุง อยู่ได้ไปปุงๆๆ ป, ปูงปูงอยู่ได้ <pass. S 2> เออมันไปปุงแต่งอยู่ได้ทํำไมโง่อย่างนี้วะอพูดอยู่เปบ่อยว่ว่าเป็บ่อยน้ําก็หายโง่ก็กลายเป็นเออมันก็ได้แต่ปรากฏแต่สิ่งที่ปุงแต่งแต่้ผู้รู้เนี่ยไม่ปรากฏปรากฏแต่อาการที่ปุงแต่งแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏมัมไม่ปรากฏตัวตนมันเหมือนเวลาที่กลับมาตรงที่รู้คือมันจะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะมันเหมือนเดิมันก็ไม่มีอะไรเลยก็มีแต่มันมีแต่ปรากฏแต่อาการปูงแต่มันรู้ได้อย่างเดียวว่า มันไม่ใช่ว่าไปอยู่กับใจที่เฉยๆว่างๆนะไม่ใช่นะคือมันได้แต่อยู่กับรู้รู้อะไรรู้แก่ใจว่าไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีจะคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดคกุศลนะกุศลมีกิริยาอาการใดๆก็ตามมันไม่มีใครไปยึดอีกแล้วไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปเสวยคือมันรู้แก่ใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดดับตามความเป็นจริงของมันไม่มีใครไปยึด ไม่มีใครไปยึดถือไม่มีใครไปไปแทรกแทรกไม่มีใครไป็เสวยรู้กแก่ใจว่าทุกอย่างเกิดดับตามความเป็นจริงไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดถือไม่มีใครไปเสวยเลยรู้แก่ใจว่าสิ้นผู้เสวยแล้วบัตนี้สิ้นผู้เสวยแล้วทุกอย่างคงเกิดดับตามธรรมชาติมันเหมือนยังมีแรงที่แบบว่าดึงกลับไปให้เหมือนคือมันเหมือนกับว่าพอไปเป็นตัวกรุงเนี่ยเมันเหมือนมีน้ําหนักแล้วมันเหมือนกับว่าเวลาปล่อยไปแล้วแล้วเหมือน เหมือนเราไม่ชินกับการที่พอรู้เฉยๆแล้วมันเหมือนว่างมันไม่มีน้ำหนักอะค่ะหลงตามันเหมือนเข้าใจผิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ๋ย ว, ยวตรงนี้สําคัญมากนะเพ อ, อาะถ้าเรารู้เฉยๆอ่ะมันเป็นรู้ตาธนวมชาติมันรู้สึกว่างไปหมดเลยแต่มว่าไม่นานเดี๋ยวก็มันถูกลากไปอีกแล้วไปปรุงแต่งแล้วค่ะไอ้ว่างนะนะั่นอะเป็นตัวที่ถูกรู้เรารู้ยังไงว่าว่างอืมค่ะค่ะ มันไอ้ว่าเนี่ยมันคือตัวที่ถูกรู้ได้แต่รู้ว่ามันว่างแต่ไม่ไม่เข้าไปยึดถือเพราะว่าไอ้รู้เนี่ยมันไม่มีอาการว่างหรอกมันได้แต่รู้แต่ความรู้สึกว่างแล้วเราเดี๋ยวมันหายไปแล้วก็ไม่ว่างว่างแล้วหายไปไม่ว่างอันเนี้ยมันเป็นตัวปรุงแต่งมันเลยเกิดดับได้สลับได้แต่สิ้นพูดยึดถือเนี่ยมันได้แต่สิ้นพูดยึดถือว่างมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่มันสิ้นพูดยึดถือว่างก็เป็นอาการ แต่ผู้ยึดถือมันก็ผู้ที่รู้เนี่ยมันก็ได้แต่รู้แต่มันไม่ยึดถือมันรู้แก่ใจว่าว่างเขาไม่ยึดถือไม่ว่างเขาไม่ยึดถือจิตสงบก็ไม่ยึดถือไม่สงบก็ไม่ยึดถือได้แต่รู้เป็นรู้เป็นรู้ที่ไม่อาจไม่อาจมีอาการไม่ใช่วปะไปจับว่างไว้างไอ้ว่าเนี่ยควารู้สึกว่างน่ะอันนั้นอ่ะเขาไปในห้องว่างแล้วแช่ที่เราบอกว่าโดนอะไรหุ้มมันเหมือนมีหมอกมอหุ้มเลยเพราะว่าเราไปจับว่างตัวเนี้ยบ่อยคไอ้ว่าเนี่ยมันเป็นอาการที่ถูกรู้นะเป็นตัวเราไปขันหน้าที่ถูกรู้คือความรู้สึกเป็นสุขเวทนา ควรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสุขเวทนาอ่าเอกตรนี้ถ้าเราไปจับว่ามันก็เหมือนมีหมอกมาหุ้มเลยไปยึดถ้ามันเนี่ยยังสลับตัดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อย่างนี้ยแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยปุงแตง่งว่าปรุงแต่งมันเกิดดับเปลี่ยนหน้าได้สลับไปไปสลับมนมาว่างแล้วไม่ว่างสงบแล้วไม่สงบมันก็จะเปลี่ยนไปมาได้ไอเนี้ยปุงแต่งทางนั้นแหละเกิดดับเปลี่ยนแต่งได้คมันต้องสิ้นยึดสิ้นยึดตัวเดียวว่างก็ไม่ยึดไม่ว่างก็ไม่ยึดคไม่ยึดสักอย่างเดียว ได้แต่รู้อย่างเดียวไม่ยึดอะไรเลยจะยไปหมายอะไรวะนะจะหมายผิดตัวนะเดจะไปโดนครอบโดนอะไรหุ้มไปอีกครับเข้าใจแล้วค่ะหลวงตาฝากอะไรถึงของแตนพอยไหมคะครับครั้งล่าสุดหลวงตาบอกว่าพี่เขาติดนิ่งอะค่ะติดแล้วก็หายยังไงพอยว่าไม่หายอาจจะยิ่งกว่าเดิมเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้ ต, ตัวเข้าไม่มาเลยหลวงตามีอะไรแนะนําหรือว่าฝาดให แานะนำเแนะนำก็ต้องมาห า, า, า, าเราสิแนะนำไปหาเราแหมะแนะนํ <c oughs> น า, นาแฟนไปถึงแฟนนี่ไปไม่ถูกเว้ยค่ะแล้วก็แฟนไม่ม า, ม, าม่เขาม่แต่อสองอาทิตย์ละครั้งป่ะเออเรายังอยู่ถ้าเราอยู่เนี่ยเราไปวันที่วันที่ยี่บสามแต่เขามาก็มาค่ะมาเจอเราค่ะว่าไงครับออาพูดใหม่หน่อยเอาพูดใหม่ไหนอยเอาจจะถามอะไรลุงตามบ้าง <c oughs> เอาอย่ า, ามอะไรหัวนน้ำดิงแล้วกวนน้ำเล่นแล้วแล้วอนี่กระาดาษนี่ยเอาให้หลานเน่ยเจ็บปากเ็บปากเร็เลยเจเต้อเต้อเปียเจ็บไเนี่เจ็บพื้นเลยอ้าพูดไหมครับเพนอย่าพูดอะไรกัลกตามไหมอย่าพูดอะไรลุกตามไหมเอาไหม อย่าพูดเลยลุงตาเป่าครับ ห, หายแช่อย่างนั้นลูกนะอหอยท่าทุกท่าขาทุกขาเป็นปกติเป็นปกติหายแช่นะลูกอย่าแช่นะลูกอย่าแช่เหมือนแม่นะรู้เปล่าเออแช่นี่แช่เฉยแช่ว่างแช่โปร่งแช่โล่งแช่เบาสบายอย่าแช่นะครับหายแช่นะครับ ไอ้ท่าท <audience> ุกท่าขันทุกขันตติสมาธิปัญญาจิตใจจึเป็นปกติเป็นปกติตามชาติต้นๆตามชาติดอัตโนมติลอดเวลาตั้งแตเป็นต้นไปโดยเชิประธานหวงพ่อเปาจารย์หวงพ่อเป็นอารย์